ขอพวกเราซึ่งเป็นสิจญาณุสิทธของหลวงปู่เสิมพุทธาจารย์หรือท่านเจ้าคุณญาณะสิทธาจารย์ซึ่งท่านได้ถึงแก่การมรณภาพไปเราซึ่งเป็นสิจญาณุสิทธ์ ไม่มีสิ่งใดที่จะบูชาคุณของท่านให้คู่ควรแก่ท่านผู้บุพการีมีพระคุณแก่เราเป็นอันมากนอกจากปฏิบัติตามโอวาทคำสั่งสอนของท่านด้วยปฏิปฏิบูชาเราได้มา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 อยู่ในระยะเดือนหนึ่งแล้วก็จะกลับไปรับภารกิจในทางสหรัฐอเมริกาที่ยังค้างอยู่แต่เมื่อมาแล้วเป็นอันวันเลื่อนเวลาจนมาถึงเดือนกุมภาพันธ์เลยตัดสินใจว่าในไหนเราก็มาแล้วก็พยายามอยู่ต่อไปอีกจนถึงวันนี้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 คำสั่งสอนที่ไม่อยู่ในเนื้อธรรมเหล่านั้นเลือกนำไปใช้ให้เหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์พอที่จะเป็นไปได้สมควรเก่าการปฏิบัติเพราะฉะนั้นขอรันทั้งหลายจงสำรวมกายและสำรวมใจตั้งใจฟังธรรมต่อไปนะโมตัส <c oughs> พะกวะโตอะระหโตสัมมาสัมบูชัตสันะโมตัสสะพระกวโตอะระหโตสัมมาสัมบทัสนะโมตัสสะพระกวโตอะระหโตสัมมาสัมบูชัสมรณาภวิสติ บัดนี้จะได้แสดงทรมีกฐาเป็นเครื่องศึกษาและปฏิบัติของพวกเราพุทธบริษัททั้งคารหัสและบรรพชิตซึ่งได้มาประชุมอยู่นสถานที่นี้เนื่องด้วยปรลพิธี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 ยิ่งฟังเท่าใดก็ยิ่งลึกซึ้งตามรนดับยิ่งรู้มากเท่าใดก็ยิ่งจะลึกซึ้งไปตามรนดับตามรนดับยิ่งปฏิบัติตามเท่าไรก็ยิ่งลึกซึ้งทำให้เกิดศรัทธาทำให้เกิดความเพียรพยายามตามระดับรนดั บ, ดบไม่มีวันใดที่จะท้อถอยอย่าว่าแต่พวกเราแม้แต่พระ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 ตลอดถึงทุกงทงดงข้อวัดอยู่ป่าอยู่เขาต่างๆปฏิบัติจนสิ้นชีวิตจนชีวิตสุดท้ายแม่แต่องค <c oughs> ์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายก็เช่นเดียวกันแม่พระองค์เป็นและทรัพย์ฟันอยู่ตรัสรู้ดีชอบเองแล้วพระองค์ก็ไม่ได้ยกเลิก เ, เพียงแต่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 ในการอยู่ป่าในการสํารวมในการรักษาในการปฏิบัติเพื่อความสงบบางครั้งบางคราวพระองค์ก็หลีกเ้นไม่ให้ใครใครเข้าไปอยู่สงบสงัดถึงเจ็ดวันเขานิโรธสมาบัติอยู่แต่ลำพังพระองค์ไม่ให้พระภิกษุสงฆ์องค์ใดเข้าไป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 ความสุ kn ั้นไม่ได้อยู่ที่วัตถุเข้าของเงินทองอยู่ที่ร่ํารวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีในาศาสนธรรมคําสั่งสอนพระพุทธเจ้าในธทําวินัยนี้พระองค์ทรงสัสว่านัทธิสันติป ร, รังสุขขังท่านว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนั่นท่านเชืความสุขอยู่ที่ความสงบและความสงบ ไม่ได้อยู่ที่วัตถุมากๆดีๆสวยๆงามงามวัตถุที่ดีๆสวยๆงามงามที่ทำให้เราเพลดิดเพลินทำให้เราปลื้มใจนั้นท่นานทราบหรือเปล่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอย่างไรนั่นแหละเป็นตัวสมุทยัยเป็นตัวที่ให้เกิดตัญหาปรุงแต่งทยานยาก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 แล้วไม่ได้รู้จักว่าศีลอยู่ที่ไหนไม่ได้มองดูไม่ได้แก้ไขนึกว่าเราสมาทานจากพระท่านให้ศีนึกว่าเราก็ได้ศีนพอมีพิธีทางศาสนาใดๆก็พากันสมาทานศีนศีนนั่นมีความสงบเป็นผล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 ไม่ทะเลาะวิวาทกันทางไหวาจา ก, ก็ได้ความสงบส่วนหนึ่งบุคคลผู้นั้นไปอยู่ที่ไหนเข้ากับใครก็ไม่ทะเลาะกันไม่ขัดแย้งกันไม่มีเรื่องไม่มีราวก็ได้ความสุขเป็นที่รักของบุคคลผู้มีสินด้วยกันนี่แลส่วนหนึ่งของความสงบของการเป็นผู้มีสินรักษาสินแล้วสมาทานแล้วไปอยู่ที่ไหนก็ทะเลาะกันบ่อย พิษกันบ่อยๆนี่หรือเรารักษาวาจาให้เรียบร้อยเรียบร้อยหรือการทะเลาะการพิษกันเรารู้จักแต่ศีรขาบทไม่รู้จักตัวศิลทางกายก็เผลอไม่ได้เข้าของในวัดในวาไปทําบุญให้ทานบางทีก็เผลอไม่ได้ขโมยกัน ของดีๆเห็นก็เปลี่ยนเอาของไม่ดีก็เปลี่ยนเอาไปมีอย่างนี้อยู่ทั่วไปทำอย่างนี้จะได้ความสุขหรือเพราะมันไม่มีความสงบมีแต่เวรมีแต่ภัยเพราะฉะนั้นเราก็เข้าใจผิดไปวัดกับไปแล้วรักษาศีลรักษาแล้วไม่เห็นว่าได้ความสุขตรงไหนไม่เห็นจะเกิดขึ้นตรงไหน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 ไม่เบียดเบียนการทางกายตรบใดแล้วเรายังไม่ได้ผลอันให้สงของศีลอย่างสมบูรณ์เลยยังไม่ได้แก้ไขเรื่องคําพูดเราอยู่คนเดียวมันก็มีอะไรศีนเราไปทําอะไรกับใครการศักษาศีนเมื่อเรามาร่วมกันสองคนสามคนขึ้นไปเราไม่สามารถที่จะอยู่ร่วมกันยังเข้าใจซึ่งกันและกัน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 จึงเป็นมัชฌิมาปฏิปทาจึงเป็นหนทางสายกลางมักแปบดบจึงเป็นสัมมากรมมันโตสัมมาวาจาและสัมมาอาชิวะนี่ทราบไหมว่านี่เป็นอรยิยสัจถ้าเราไม่เห็นเรื่องกายวาจาใจเราไปเห็นอรยิยสัจที่ไหนมันอยที่ไหนมรรคไอรยิยสัจทุกขสมุทยัยนิโรธมร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 ถมสัพเท่าไหร่มันก็เป็นไปไม่ได้กพ็พื้นฐานไม่มันไม่มั่นคงเหมือนกับเราเอามาล็ดเข้าไปหว่านลงในป่าในยาที่ไม่ได้ถกักถางไม่ได้เพาผานเลยแล้วก็เราก็จะหวังจะมาเก็บเกี่ยวผ้นประโยชน์จากการหว่านพืชลงไปในนาที่เราไม่ได้ถกักถางพื้นดินให้ ดูแลน้ำให้บริบูรณ์แล้วมันจะได้ผลอย่างไรนี่แหละท่านเรียกว่างงง่ายพวกเรายังไม่พ้นจากความงงมงายอยากจได้พระนิพพานอยากจะพ้นจากทุกข์ไม่อยากจะมาเกิดอีกแต่เพียงสินเราก็ยังสร้างสมาธิในสินยังไม่ได้เลย <S <S ยังไม่ถูกต้องยังไม่สมบูรณ์เลยจะสมาธิิในเรื่องอื่นยิ่งละเอียดกว่านั่นจะเห็นได้อย่างไรเพราะฉะนั้นขอให้พุทธธรรมบริษัททางหลายจะมองข้ามวัดสินเป็นชั้นต่ำแล้วไปมุ่งภาวนาแต่พุทโทพุ ท, พโทพธโระชดองค์วัดอยู่ตามป่าตามเขาเอาให้พ้นทุกข์ให้สำเร็จอรหารไม่มีทาง เพราะเวรภัยที่มันตามมาจากกายวายจาอันเป็นของหยาบนี่มันติดตาม อ, อยู่ในบ้านก็วุ่นวายสงบอยากไปอยู่ในป่าอยู่ที่ ส, สงบสงดัดไปอยู่ในป่าแล้วก็เข้ากันไม่ได้กายก็ไม่ได้สํารวมระวังวาจาก็ไม่ได้สํารวมระวังจะเอาหมักผลตรงไหนเราลองคิดดูให้ดีนี่ขอท่านทั้งหลายฝากความคิดอันนี้ไว้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 ถ้าไหร่ก็มองไม่เห็นเพราะไม่เห็นว่ากายเป็นสินวาจาเป็นสินมัวแต่รักษาละสินสองยีเจแต่ลืมรักษาสินห้าสินแปดมองข้ามไปว่าตัวเองรักษาสินสองีแต่ลืมสินห้าไม่ได้สํารวมระวังรักษาเลยของในวัดพระเนนด้วยกันก็หายืมเ่อรา เก่อไม่รักษากายไม่รักษาวาจาแล้วก็มีเรื่องเลาะกันผิดกานฆ่ากาันสิทธฆ่าอาจารย์ก็มีมีเรื่องมีเราเก่อไม่รักษากายไม่รักษาวาจาแล้วก็มีเรื่องมีเหล่านั่นรักษาศินสองร้ย่เจ็ได้ลืมสินห้ามันสูงเกินไปมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นเราทั้งหลาย จะขึ้นบันไดเราต้องขึ้นตามลําดับขั้นตอนต้องตรวจพินิษพิจารณาตามขั้นตอนอย่าข้ามตอนพระอริยสงสาวกทั้งหลายแต่สมัยครั้งพุทธกาลท่านปฏิบัติตามขั้นตอนที่พระพุทธเจ้าได้วางไว้ไม่มองข้ามไม่ล่วงเกิดเพราะว่าทำคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ไม่เคยสอนเล่นตรัสเล่น เป็นสัจจะว่าจา้วนแต่เป็นของจริงอย่างประเสริฐสิ่งไหนที่ไม่จริงพระองค์ไม่ทรงตรัสพระองค์ทรงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายทาคำที่เราปัญญาตรัสรู้ของเรานั้น <c oughs> เหลือที่จะ <c oughs> นำมา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 เป็นของจริงแต่ไม่เป็นประโยชน์เราก็ไม่แสดงทำเราได้เป็นของไม่จริงแต่พูดแล้วได้ประโยชน์พระองค์ก็ไม่แสดงทำเราได้เป็นของจริงเป็นของมีประโยชน์ด้วยพระองค์จึงแสดงทำเราได้ แสดงแล้วมีประโยชน์ด้วยผู้ฟังเข้าใจด้วยนี่พระองค์ว่าคูยที่ไหนพระองค์ก็พยายามเข้าไปให้ถึงได้แสดงธรรมไก่ชนเหล่านั้ น, นเพราะฉะนั้นธรรมที่พระองค์ทรงบัญญัติแล้วทานก็ดีศีลก็ดีภาวนาก็ดีล้วนแต่เป็นสัจจะวาจาพระองค์ไม่เคยพูดเล่นไม่เคยกล่าวเล่น ส่วนทุจริตทางหลายด้วยกายด้วยวาจาด้วยจิตใจถือว่าเป็นบาปเป็นอกุศลผู้ใดสมาทานแล้วมีผลเป็นทุกข์คำเหล่านี้รว้แต่เป็นสัตว์วาจาพวกเราพุทธบริษัททั้งหลายยาวฝ่าฝืนพระองค์ไม่ได้พูดเล่นเป็นคำจริงถึงแม้เราจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามทำลงไปแล้วต้องเป็น เป็นของที่มีผลทางนั้นไม่ได้ยกเว่นว่าเราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นเพราะทำลงไปแล้วเสียหายเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายควรสชิรวมระวังควรรักษาเราผู้มีเรียกว่ามีศรัทธาต้องเชื่อในคำสอนพระองค์สิ่งใดที่พระองค์ทรงตรัสว่าไม่ดีควรละเราก็ควรพยายามละ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 มันอยู่ว่างๆเดี๋ยวก็มันไปแต่แตเรื่องไม่ดีนั่นเองถ้าเราลึกความดีอยู่เสมอประจำอยู่เสมอแล้วลความไม่ดีเราก็ไม่ได้ไม่ได้ทำเหมือนกับเรามาวัดไม่อยู่ที่วัดเราก็ต้องทิ้งทางบ้านเราก็ได้อยู่วัดได้ปฏิบัติเมื่อเรากลับบ้านเราก็ทิ้งวัดอย่างนี้แหละ เมื่อเราทําความดีแล้วชื่อว่าเราทิ้งความชั่วห่างจากความชั่วพระพุทธเจ้าจึงสอนในทั้งทิ้งความดีแต่เพียงแต่ทิ้งความชั่วทําความดีเท่านั้นไม่เพียงพอถ้าหากว่าจิตเศร้าหมองจิตไม่ฉลาดเดี๋ยวก็ดึงไปดึงมาอยู่อย่างนั้นไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นต้องชําระจิตของตนให้ผ่องใสนี่มันก็ครบทั้งศีลสมาธิปัญญา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 ได้อาศัยสถานที่วิเวกสถานที่สงบสงัดประกอบความเพียรแล้วทาต่อเนื่องกันไม่หยุดยั้งความเพียรของเราต่อเนื่องกันสติอาศัยความเพียร น, นั้นจะลึกต่อเนื่องกันย่อม